พระตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสี่สุตตันตปิดกอังคุตระนิกายทัสกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อตติยะบรนณาตหมวดห้าสิบที่สามวรที่หนึ่งสมณะสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายถึงความเป็นสมณะตรัสว่าจเจริญสมณะสัญญาสามประการแล้ว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 พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริการแห่งชีวิตคือพิจารณาเห็นประโยชน์ของปั จ, จัจสี่ไม่ฟุ่มเฟือยอื่นๆและข้อสุดท้ายปรารบความเพียรตรัสว่าเจริญโพชงเจ็ดแล้วย่อมทำวิ ช, ชาสามได้แก่ระลึกชาติได้ทิพยาจักษุและทำอาสวะให้สิ้น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 คือนิชระวัตถุสิบประการได้แก่สัมมันตะฝ่ายถูกและขจัดมิฉั ต, ตะฝ่ายผิดสิบประการตรัสว่าในทักษินาชนบทคือชนบทภายใต้มีประเพณีชื่อโทวนะอัตถกถาว่าคือการจำระล้างโดยวิธีเอาศพฝังและทำพิธีล้างกระดูกบูชาด้วยเครื่องหอม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 หมายถึงอยู่จบโรมะจันไม่มีกิจต้องทำอีกต่อไปซึ่งก็คือพระอรหันตรัดเรื่องอเสขะและอเสขิยธรรมธรรมะของผู้ไม่ต้องศึกษาโดยแสดงความเห็นชอบอันเป็นอเสขะเป็นต้นวักที่สองปัญโจโรหานิวักว่าด้วยการก้าวลงจากบาป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 วรที่หอริยมักขวัคว่าด้วยอริยมักในวรทั้งสามวคนี้ก็ตรัสแสดงเรื่องเห็นผิดชอบเป็นต้นเช่นเดียวกันอันหนึ่งเพื่อช่วยความจำขอกล่าวถึงรายละเอียดของฝ่ายผิดสิบข้อไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือเห็นผิดดําริผิดเจรจาผิดกระทาผิดเลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิด ระลึกผิดตั้งใจมั่นผิดรู้ผิดพ้นผิดฝ่ายดีหรือฝ่ายชอบคือที่ตรงกันข้ามจตุตถะบันนาตหมวดห้าสิบที่สี่วรกที่หนึ่งุคละวัคว่าด้วยบุคคลตรัสแสดงบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะสิบประการ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 คือชานุสสโสนิพราหม์เล่าถึงพิธีปัญโจโรหณนีของพราหม์เมื่อถึงวันอุโบสถพราหม์จะสนานศีรษะนุ่งห่มผพ้าพเปลือกไม้ใหม่ฉาบแผ่นดินด้วยมูลโคสดปูลาดด้วยยาคาสดแล้วนอนระหว่างกองทรายกับโรงบูชาไฟและลุกขึ้นทำอัญชลีไฟสามครั้งในราตรีนั้นก่อนกล่าวว่าปัญโจโรหมะพวันตังสองครั้ง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 แต่ก็เป็นการขยายความแห่งพระพุทธภาษิตโดยอาศัยหลักอกุศลกรรมบทและมีพระพุทธภาษิตตรัสแก่นายจุนทะกรรมมาบุตรเรื่องความไม่สะอาดทางกายวาจาใจโดยแสดงอกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทสิบประการถ้าประพฤติชั่วแล้วจะลุกขึ้นจากที่นอนลูกคลําแผ่นดินหรือไม่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 โดยชีย้ความสําคัญไปที่ความประพฤติไม่ใช่สะอาดหรือไม่สะอาดเพราะทำเคล็ดต่างๆวัคที่สสุนทรวักว่าด้วยสิ่งที่ดีวักที่สี่เศรษฐวรคว่าด้วยสิ่งที่ประเสริฐวัคที่หเสวิตตพาเสวิตตพวัก ว่าด้วยบุคคลที่ควรซ่องเสพและไม่ควรซองเสพในสามวัดนี้ก็เป็นการแสดงเรื่องอากุศลกรรมมบดและกุศลกรรมมบดยักย้ายในสลับกันไปและเพื่อช่วยทบทวนความจำขอกล่าวซ้าถึงอากุศลกรรมมบดได้แก่กายทุจริตสาคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตสี่พูดปด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 พึงทราบโดยนายตรงกันข้ามปัญจมะปัญนาฏหมวดห้าสิบที่ห้าเนื้อหาส่วนใหญ่สำหรับหมวดนี้กล่าวถึงเรื่องอากุศลกรรมบทและกุศลกรรมมบดมิจฉตตะและสัมมันตะคือความเป็นผิดและความเป็นถูกมีเห็นผิดเห็นชอบเป็นต้น และสัญญาหรือความกำหนดหมายสิบประการเป็นต้นมีข้อน่าสังเกตคือในวรรคที่สองแสดงถึงบุคคลว่าจะตกนรกเหมือนถูกนาไปวางไว้เมื่อประกอบด้วยธรรมะสิบประการมีฆ่าสัตว์เป็นต้นประกอบด้วยธรรมะ20สบประการคือทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นเพื่อฆ่าสัตว์เป็นต้น ประกอบด้วยธรรมะส0สิบประการคือทาด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นและมีความยินดีในอกุศลกรรมมบทสิบนั้นประกอบด้วยธรรมะส0สิบประการคือทาเองชักชวนผู้อื่นยินดีและกล่าวสรรเสริญอกุศลกรรมมาบดสิบนั้นสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้าม เอากาทสกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีส1อดข้อในหมวดนี้ไม่มีหมวดห้าสิบเริ่มต้นก็ขึ้นวรกคที่หนึ่งชื่อนิสายวร์คว่าด้วยสิ่งที่อาศัยกันวร์คที่สองไม่มีชื่อต่อจากนั้นก็กล่าวถึงพระสูตรที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบตรัสแสดงอานิสงส์ของศีลแก่พระอานนว่า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 พระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยในเดียวกันเนื้อหาที่เหลือของบทนี้นอกนั้นแสดงธรรมะทํานองเดียวกับหมวดส0บหลายข้อเป็นแต่เพิ่มข้อปลีกย่อยขึ้นอีกหนึ่งจึงเป็นสิเอ็ดข้อในข้อสุดท้ายตรัสแสดงการที่ภิกษุชื่อว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนอยู่จบรมจรรย์เพราะอาศัยธรรมะสามข้อ รวมสามประการอาศัยธรรมะสองข้ออีกหนึ่งประการรวมเป็นสิบเอ็ดข้อธรรมะสามข้อประการที่หนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาธรรมะสามข้อประการที่สองคือแสดงริ์ได้เป็นอัศจรรย์ถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์สั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ธรรมะสามข้อประการที่สาม คือความเห็นชอบความรู้ชอบความพ้นชอบธรรมะสองข้อคือวิชาวความรู้และจจรณะความประพฤติตรสแสดงธรรมะแก่มหานามะสักยะเรื่องวิหารธรรมคือธรรมะอันควรเป็นที่อยู่แห่งจิตห้าข้อคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญา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 เป็นแต่แสดงวิหารธรรมหกโดยเพิ่มศีลอีกหนึ่งข้อและแสดงธรรมะที่ควรระลึกห้าคือพระพุทธพระธรรมกัลยาณมิตรจาคะและเทวดาตรัสแสดงธรรมแก่พระสูภูติถึงศรัทธาประทานคือลักษณะของศรัทธาของกุลบุตรผู้ออกบวชส1บเออย่างได้แก่มีศีลสดับมาก ครบเพื่อนดีงามว่าง่ายช่วยทาธุระของเพื่อนปรมจารีใครธรรมะปรารบความเพียนประลึกชาติได้ได้ทิพยจักษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะหรือทำอาสวะให้สิน้นตรัสแสดงอานิสงค์ของเมตตาเจโตวิมุตติหมายถึงเมตตาที่เป็นฌาน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 มันเป็นวิธีของวิปัสสนาก็บรรลุความสิ้นอาสวะได้ท้าสมะคขรหาบดีพอใจกล่าวว่าเหมือนสแสวงหาป่าคุ้มรัพย์แห่งเดียวแต่ได้พบถึงส1บอ็ดแห่งตรัสแสดงการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติของคนเลี้ยงโคฝ่ายละส1บเอ็ดข้อเทียบธรรมะ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 คือพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสิ้นไปเสื่อมไปความคลายกำหนัดความดับความสลัะในอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจาร์ซึ่งเป็นไปทางทวารหกมีตาเป็นต้น ตรัสว่าควรเจริญธรรมะ11อ็ดอย่างคือรูปปัจจันทรส่รมวิหารที่เป็นเจโตวิมุตส4มีเมตตาเป็นต้นอรูประชาันที่หนึ 3, ่งถึงสรวมทั้งหมดเป็น11เอเพื่อละอุปกิเลส6มีราคะเป็นต้นจบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24 ว่าด้วยชุมนุมธรรมะที่มี10ข้อและ11ข้อ